หาถ้าเพ่งมากหากตายลงไปจะเป็นพรหมการที่เราเพ่งนามมากๆเข้าถ้าจิตมันเข้าถึงอั ป, ปนาสมาธิมันจะตัดการรับรู้โลกข้างนอกเหลือแต่โลกข้างในอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิถ้าละเอียดละเอียดลงไปสัญญาก็วางจะสบายเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยรู้เหมือนไม่รู้สบายเลยหลงอยู่ที่นั่นนานๆถ้าหลงอย่างนี้แล้วตายลงก็ไปเป็นอรู ป, ปพรหม อีกอันหนึ่งคือเพ่งรูปไปเรื่อยๆแล้วไม่ชอบนามจะไม่รวมเข้ามาอย่างนั้นมันจะดับจนหมดความรู้สึกไปเลยเหลือแต่ร่างกายทื่อๆอยู่อย่างนั้นนี่ก็พลิกไปอีกข้างหนึ่งอันนี้เป็นอสัญญาสัตตาเป็นสัตว์ขันเดียวมีแต่รูปส่วนที่เข้าไปอยู่ข้างในก็เป็นสัตว์สีขันมีแต่นามไม่มีกายไม่มีรูปตอนนี้เราเป็นสัตว์ห้าขันก็ดีแล้วไม่ต้องทําให้ขันเรากะพร่องกะแพร่งไปถ้ากําหนดรูปทําไปไกลสุดได้พรมลูกฟัก ถ้ากำหนดนามทำไปไกลสุดได้อรูปประพรม